ตั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักเรื่องของสวนสามผ่านไปแล้ววันนี้ก็มาขอขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องของพระเจ้าในมีราชพระเจ้าในมีราชนี่ก็เป็นประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงบำเพ็ญบรารมี ในด้านปรมัธบรมีเหมือนกันได้ ว, ว่าเรื่องของพระเจ้าในมีราชนี้องค์สมเด็จพระวิธิตฐมานทรงแนะนำว่าในสมัยนั้นพระองค์ทรงมีจริยานเนื่องในอบอุศตรศีนเป็นสำคัญตอนนี้ก็มาฟังเรื่องของท่านเลยถ้าจะใช้อาระมะบทนำหน้าก็มากๆ ก, ก, ก็น่ารำคาญ เรื่องราวของท่านก็มีอย่างนี้คือท่านกล่าวว่าพระราชาแห่งเมืองมิถิลามหานครได้ทรงประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งเมื่อประสูติแล้วก็ทรงขนานพระนามว่าเนมิกุมานเพราะว่าพระโอรสองค์นี้ต่อไปที่ได้สืบต่อวงศษัตริย์ แห่เงเมืองมิถิลามหานครความจริงเมือง น, นี้ใกล้จะสิ้นจะสนูนวงตระกูลอยู่แล้วเพราะว่าหาลูกยากก็ต้องการไม่ได้ลูกและก็ดีใจต้องการให้ดำรงน่าจะสมบัติต่อไปเหมือนกับกงจากของรถให้ความจริงเป็นความรู้สึกของท่านพ่อท่านแม่ เห็นยงเหมือนเหมือนกับเราเวลานี้มีท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีหลายท่านที่ท่านหาลูกไม่ได้ก็ามาหาแตมาว่าอยากจะได้ลกูกถามวันได้อยากจะได้ลกกูกไปทาไมท่านก็นบอกว่าอยากจะได้ลูกเพื่อสืบตระกูลข้อ น, นี้เขามันดาลูกลักตลารลักทั้งหลาย จงจำไม่ว่าคนที่เขาบอกว่าพ่อแม่ของเราไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดเราเกิดขึ้นมาเองเพื่อความสนุกของท่านแต่ก็อย่าลืมว่ามีพ่อแม่ 99.99% ไ99ม่อยากจะพูดว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นที่อยากให้อยากจะมีลกูก เมื่อมีโลกแล้วก็ดีใจถ้าหากยัยคิดว่าท่านไม่ตั้งใจให้เราเกิดเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านจะปล่อยให้เราตายเมื่อไใดก็ได้แต่หากแต่ว่าที่ท่านส่งเสียให้เราเรียนเลี้ยงให้เราโตขึ้นมาจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตามความสามารถของท่านนั่นเป็นความเมตตาปราณีของพ่อของแม่ แล้วก็พ่อแม่ยังจะหวังว่าลูกของท่านจะดีท่านจะจนท่านจะลำบากยังไงก็ตามทีมีความประส ง, สงค์อยู่อย่างเดียวคือท่านลูกชายของลูกสาวของเราเป็นคนดีมีตระกูลสูงมีความรู้ดีท่านพร้อมที่จะลำบากเงินทองของใช้เพื่อการศึกษาที่เราได้มาได้มาอยากจากอยากเงินแรงงานของพ่อแม่ นันแสดงว่าพ่อแม่มีความรักมีความหวังดีในเราแต่เวลานี้เขาสอนกันว่าจงลืมพ่อลืมแม่เสียพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดแต่ความจริงถ้าหากว่าท่านไม่ตั้งใจให้เกิดและไม่มีความรักในเราท่านจะเลี้ยงเราให้โตมาเพื่อประโยชน์อะไร จะให้การศึกษาการศึกษาต้องใช้เงินมากท่านจะให้การศึกษาเพื่อประโยชน์อะไรขอลูกลักหลานลักท่านหลายจงอย่าทำใจอย่างคนเลวประเภทนั้นคนอักตัญยูไม่รู้คุณคนอย่างสมมติว่าถ้าเรามีเงินใช้มีของกินมีของเล่น เพื่อนของเราไม่มีเราแบ่งให้เขากินแบ่งเงินให้เขาใช้แบ่งของให้เขาเล่นแต่ถ้าว่าเวลาที่เราไม่มีบ้างถ้าเขามีเราหิวอยากจะกินเขาไม่ให้กินเราไม่มีเงินจะใช้ตามความจําเป็นเขามีเงินเราก็ยืมเขาไม่ให้แล้วของเล่นที่เขามีอยู่แต่เราไม่มีแล้วอยากจะขอเขาเล่นบ้างเขาไม่ให้ ลูกหลานที่รักทั้งหลายหนูจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อเพื่อนคนที่เรามีความเมตตาปราณีให้เขากินให้เขาใช้ให้เขาเล่นเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือเขาจะเป็นเพื่อนที่เลวะยังคนที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ใช่เป็นผู้มีคุณสำหรับเขาขอลูกหลานรักทั้งหลายจงจะตามจะปฏิบัติตามเขา เมื่อเขาจะเลวจะเป็นคนเลระคุณคนไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักความดีก็ปล่อยเข้าไปเราตั้งใจเป็นคนดีของพ่อของแม่และของครูบาอาจารย์นั่นเป็นความดีที่สุดวิชาความรู้ที่เราจะได้มาก็ใช้พ่อแม่สนับสนุนให้ทนในการศึกษาวิชาความรู้มาได้มาจากครูบาอาจารย์ควรจะเทดิดทูนครูบาอาจารย์ จงอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์นี้เป็นลูกจ้างของเรายัางน้คิดผิดมากมันเป็นความเร็วของความรู้สึกแต่ความเร็วอยู่มีจิตเทียงใดเราก็จะหาความสุขไม่ได้ต่อจานี้ไปฟังเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่ามันเนมิคุ ม, มานยินดีในการบำเพ็ญทานนักษาศีลอมโสถ อย่าลืมนะว่าในมิกุมนันลูกชายตั้งแต่เด็กๆนะชอบใจรลอพอใจในการสงเคราะห์เพื่อนสงเคราะห์บุคคลผู้มีความยากจนยากแค้นเมื่อขัดสนจนยากอะไรก็ตามถ้าท่านไม่เกินวิสัยของท่านจะมีท่านพร้อมในการให้พร้อมในการสงเคราะห์ ลนวก็พยายามรักษาโอโบสดตศีลตั้งแต่อย่างทรงพยาวอย่างทรงพยาวก็คือเด็กเมื่อในมิกุมารเจริญวัยพระราชวิดาเบื่อหน่ายในราชสมบัติเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของขันห้าและสังขารตามเรื่องที่กล่าวว่าพระองค์ทรงเห็นเส้นพระเกศางอกเพียเส้นเดียว ก็ทรงมอบราชสมบัติให้แกนีมิค ม, มานปกครองสืบไปรองก็ทรงเสด็จออกบรรพชาอาศัยอยู่ในพระราชวิยาห่งหนึง่งจึงกระทั่งสเสด็จสวรรคตแม้ว่าตอนนี้ยังขอไม่เลยไปก่อนลูกหลานที่รักขอคุยกับลูกหลานสักนิดหนึ่ง ว่าการให้ทานการนักึษาโมสดตศีนเนี่ยมันเป็นของดีและของเลวทานังการให้ทานการให้ถ้าเราจะพูดกันอย่างคนใจแทบคนอักตรันยูไม่รู้คนๆเรื่องที่เรียกกันว่าเป็นคนที่มีสันดานเลวที่สุดก็จะมีความรู้สึกว่าทานการให้เนี่ย การให้เขาเนี่เป็นการเสียทีสร้างคนให้เป็นคนขี้เกียจเราเสียทีเราหามื่อเกือบตายจะแบ่งให้เขาเพื่อประโยชน์อะไรนี่ลักษณะของคนเลวที่มันเขามีความคิดอย่างนี้แล้วว่าหลวงปู่เคยเข้าไปในพระราชวังสวนติตวันนั้น มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยออยนำเงินโดยสน็จพระราชกโกสลสนับส น, นุนสู่นสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นธุรกันดาลที่พระบาทสมเด็จเื่อหัวทรงพระยาทานคือมีพระราชประสงค์ให้หลวงปู่ตั้งขึ้นและพระองค์ก็อยาทรงพระยาทานเงินจำนวนนั้นประาหนึ่งแสนบาทมากับูนยนนี้ วันนั้นพระองค์ทรงตรัสหลวงปู่จำได้ว่าการให้นี้ถือว่าเราได้รับรางวัลทั้งนี้พ่อใไรเพูดว่าถ้าเขาอดเราให้การให้ในระดบแรกเราจะเป็นที่รักของบุคคลผู้รับทั้งนี้ก็ขอบัรดาลูกหลานที่รับช่วยกันพิจารณา ว่าลูกหลานที่รักนะ่ะถ้าบาังเอิญเราไม่มีกางเกงจะนุ่งถ้าใครก็ให้กางเกงเราโน่งเราจะมีใจเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาเราไม่มีเสื้อจะใส่เราไม่มีรองเท้าเราไม่มีอาหารเราไม่มีสตรร้อเราไม่มีอุปกรณ์ในการศึกษาถ้าบาังเอิญมีใครก็ให้เราเนะ่เราจะรักเขาหรือ ว, ว่าเราจะเกลียดเขา กำลังใจอย่างนี้คนเลวเท่านั้นที่จะเกลียดคนผัวให้ฉะนั้นเมื่อเราให้เขาแล้วที่พระบาทสมเด็จเจหัวทรงตรัสว่าเราให้เขาแล้วเราเป็นผู้ได้รับรางวัลพระเขาเรียกได้รับอานิสงส์เรื่อความจริงพระใช้คำพูดหนักเกินไปฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าว่าพระบาทสมเด็จพระจ้ายหัวทรงใช้พระราชดารัสเข้าใจง่าย รางวัลที่เราจะเพ่นได้ก็คือความรักความรักจากบุคคลผู้รับสมมติว่าเราไปที่ไหนเราก็มีแต่คนรักเพราะเราเป็นคนชอบให้แต่ว่าการให้ไม่ใช่หมายว่าให้ทั้งหมดตัวไปที่ไหนมีคนรักที่นั่งขอลูกหลานที่รักจงนั่งคิดว่าเราจะมีความสุขหรือว่าเราจะมีความทุกข์ เราไปที่ไหนเราเจอแต่คนรักคนทุกคนนะ่ะต้องการให้คนทั้งโลกรักเรารักเราทั้งหมดถ้าเรามีคนรักเราเราจะอดเราหิวเราก็มีข้าวกินเพราะเขาให้เขาว่าเขารักถ้าเราไม่มีเงินใช้เขารักเราเขาก็เอาเงินให้เราถ้าสิ่งใดที่เราขัดข้องแล้วถ้าเราเป็นที่รักของเขาแล้วเขาก็ให้เราก็เหมือนเราเหมือนกัน เราถ้ารักใครถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของเราเราก็ให้อาการอย่างนี้มาแบกกายของความสุขและแบกกายของความทุกข์ลูกหลานที่รักฟังแล้วก็คิดคิดก็ลองพิจารณาดูตอนเช้าคุณพ่อจะไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้สิบบาท แล้วก็รักพ่อรักแม่แล้วให้หนึ่งบาทแล้วก็รักท่านตามความจำเป็นบางเอิญคุณลุงกับคุณอาคุณป้าคุณนามาเห็นว่ า, าหลานอยาไปโรงเรียนนะยจ๊ะเอาลุงให้หนึ่งบาทป้าให้สองบาทน้าให้สามบาทเราจะดีใจเราจะเพื่มใจมากว่าวันนี้เรามีสตังค์มากเพราะว่าท่านผู้ใหญ่สงเคราะห์ ถ้ารอดได้อย่างนี้เราจะเสียใจหรือเราจะดีใจเราจะมีความสุขใจหรือความทุกข์ใจการให้เป็นของดีลูกหลานที่รักแต่ว่าจงอย่าให้จนหมดตัวจะเบียดเบียนตัวเองเกินไปแบ่งปันตามสมควรที่เราจะพึ่งให้ได้จะเป็นปัจจัยให้เรามีความสุขเพราะเราจะมีคนรักเราทั่วไปหมด คนรักมีมากเราก็มีความทุกมากมีแต่คนรักเราเราไปไหนก็ไม่มีศัตรูนี่ฟังกันเพียงย่อดต่อมาสําหรับอมโบสตัสสินอมโบสตัสสินนี่ท่านรักษาเฉพาะวันพระแล้ววันปกติท่านรักษาศินห้าลูกหลานเห็นวันดีไหม หนักใจเกินไปมันลูกหลานที่รักถ้าเราจะเป็นคนมีศีลถ้าลูกหลานยังไม่รู้จักว่าศีลเป็นยังไงแล้วก็บางทีลูกหลานที่รักจะคิดว่าไม่ไหวแล้วร้มปู่ให้ลูกหลานนักษาศีลลูกหลานก็คงจะอดตายแน่ร้องปู่จะขอยนิบายเรื่องศีลให้เข้าใจคร่งย่อๆเพราะเวลา น, น้อย พูดมากเกินไปลูกหลานก็จะลาคาญคำว่าสีนี่ก็แปลว่าปกติจำไว้นะจ๊ะคำว่าสีเนี่ยเป็นภาษาบาลีก็แปลว่าปกติหรือว่าศีเก็แปลว่าเย็นก็ได้คนไหนมีสีคนนั้นเย็นเอาคําว่าปกติก็แล้วกัน คำว่าปกติโดยเฉพาะสินห้าปกติของคนเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตต้องการหาคนรักนี่เป็นปกติข้อที่สองปกติของคนเรามีทรัพย์สินแล้วไม่ต้องการให้ใครมาฉกชิงวิ่งเราไม่จี้มาปล้นมาแย่ง นี่เป็นอารมณ์ปกติของเราทุกคนข้อที่สามถ้าเรามีคนรักก็ไม่อยากให้ใครเขาไม่แย่งคนรักข้อที่สี่วาจาเราต้องการความจริงเราไม่ต้องการฟังคำโก 6, หกมุทเทสหลอกลวงข้อที่ห้าเราไม่ต้องการเป็นคนเสียสติคือเป็นคนบ้าดะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบ ว่าความต้องการของคนและสัตว์เสมอกันยว่สอนว่าถ้าพวกท่านหลายต้องการความสุขก็จะมีเมตตาความรักซึ่งกันและกันอย่าทำร้ายร่างกายกันอย่าประหัตประหารซึ่งกันและกันถ้าคนเราไม่ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันไม่ประหัตประหารซึ่งกันและกันลูกหลานที่รักมันจะมีความสุขและมีความทุกข์ สมมติว่าลูกหลานไปโรงเรียนมีแต่ศัตรูเจอหน้าเขาก็ดา่าเจอหน้าเขาก็ชกมันจะมีความสุขและความทุกข์ถ้าเราต่างคนต่างรักกันเห็นหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขากอดกันจุงมือกันนั่งคุยกันอย่างมีความสุขรื่นเริงหัรษาแล้วก็มีอะไรก็แบ่งกันกินแทนที่จะรั ก, กระโมมจะเย้แย่งกัน อย่างนี้ลูกหลานเห็นว่ามีความสุขและมีความทุกข์จ้ะสมมติว่าเรามีคนที่รักแล้วเพื่อนของเราก็ไม่แย่งคนรักใครรักคนไหนก็รักคนนั้นยินดีเฉพาะคนที่เรารักเราไม่มีใจออกห่างจากคนรักไม่นอกใจคนรักและไม่แย่งคนรักของคนอื่นคนอื่นก็ไม่แย่งคนรักของเรา อย่างนี้ลูกหลานเห็นม่จะมีความสุขแล้วมีความทุกข์แล้วก็บริการต่อไปถ้าเราไม่โกหกหมดทเหต์ต่างคนต่างพูดแต่เยพาะความจริงเราก็จะมีอารมณ์ใจแจ่มใสหน้าตาสบายนี่เมื่อเราพบ ก, กันเราไม่ต้องระแวงสงสัยว่าเขาจะจับโกหกได้รายการที่ห้าการดื่มสุรามีไรทำให้สติสมัมปชัญญะไม่ดี เป็นคนคล้ายคนบ้าอาการอย่างนี้ถ้าไม่มีสาหรับเราในการกินเหล้าเมายาเปลืองทรัพย์สินโดยใช่เหตุเพราะว่าสรังย์เรามีไว้ใช้เพื่อบำรุงความสุขเอาไปกินเหล้าเมายาเสร็จแล้วทรัพย์สินมันก็สลายตัวเปล่าแล้วมันก็ไม่อิ่มดีไม่ดีก็เกิดเรื่องชกต่อยที่รันฟันแทง นั่นเขาถูกจับเข้าคุกเข้าตารางมันมีความสุขและความทุกข์ถ้าเราไม่กินที่เราก็เป็นคนมีสติดีมีความดีทรงตัวย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปมีว่ากันเึ่งความสุขที่เพิ่งได้จากศีลเอากังแค่ศีลห้าก่อนแล้วกันสําหรับอุมโมสตศีลมีกําลังสวมไปกว่านั้นลูกหลานยังยังไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ หลวงปู่จะย้อนหลังอีกสักนิดหนึ่งว่าสมมุติว่าคนเรารักกันซะทั้งหมดไม่คิดปาทุสร้ายซึ่งกันและ ก, กันนึืว่าเราก็มีความสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมไม่คดไม่โกงกันคําว่าสันโดษนี่ลูกหลานที่รักจงอย่าคิดว่ายินดีเฉพาะของที่มีอยู่นะ พระที่แปลหนังสือแบบนี้นะแปลผิดคําว่าสันโดดที่หมายความว่ายินดีในทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยไม่คดไม่โกงกันยจะขยันหามามากเท่าไหร่ก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่ามีเท่านี้พอใจเท่านี้ไม่หาต่อไปอันนี้ไม่ถูกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าวาจะเมเทวปุริโสถ้าเป็น บุคคลแล้วเป็นชายคนพยายามล่ำไปวิเดเยณนะทุกขมัิเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรถ้าเรามีทุกในทรัพย์สินทรัพย์สินมีน้อยแล้วก็ขยันมันเพียรทำให้มันมากอย่างนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถือว่าสันโดดคาว่าสันโดดคือเราหาแล้วคอขยัน เราได้เรามีทรัพย์น้อยหาทรัพย์มาให้มากเราไม่คดไม่โกงใครหามันได้การสุดยอดเยี่ยนนี้เป็นสันโดดที่เราไม่รักไม่ขโมยกันเราก็มีความสุขเราก็ไม่ติดคกไม่ติดตารางเอาเป็นแค่แล้วครับว่าเรามีคนรักเราไม่แย่งความรักอันนี้พูดมาแล้วนะเป็นอันว่าถ้าเราไม่ทําร้ายสิ่งอะไรกันเราไม่รักไม่ขโมยสิ่งอะไรกัน เราไม่แย่งคนรักให้เกิดศัตรูเราไม่พูดโกหกโมเทสให้เป็นที่น่ารังเกียจเราไม่ดื่มสุรามีไรที่พาเข้าตรางถ้าทุกคนทุกคนในโลกทําได้อย่างนี้โลกจะเต็มไปด้วยความสุขและคนทุกคนก็จะรวยไม่มีคนจนคนทุกคนก็มีแต่คนดี รวยตอนไหนเราไม่ต้องเสียภาษีเสียก่อนทั้งหมดเพราะอะไรเพื่อคนถ้าไม่กุมเหงนกันไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันไม่รักไม่ขโมยกันไม่แย่งความรักกันไม่โกหกเมตชดไม่กินเหล้าเมายาเป็นคนดีเป็นอนว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองไม่ต้องมีเราไม่ต้องมีตำรวจเราไม่ต้องมีทหาร เราไม่ต้องมีรัฐบาลถ้ามีขึ้นมาแล้วเป็นยังไงคณะรัฐบาลก็ดีข้าราชการก็ดีอะไรการพลเรือนนะถ้าทหารตำรวจก็ดีเราจะต้องเสียภาษีย่างคนทั้งหลายเหล่านี้มาปกครองเราปีหนึ่งกี่หมื่นล้านแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายของเราต้องไปเสียวุฒ สร้างเรือนจําสร้างคนเข้ามาบังคับจ้างคนเข้ามาบังคับเราเงินจนํานวนนี้เราต้องเสียภาษีไปปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านอย่างปีนี้ให้ตกเข้าไปตั้งแสนล้านเศรจเห็นไหมทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนไม่นิยมในการรักษาศินถ้ารักษาสินเสร็แล้วจะต้องมีตารวจทําไม เราไม่ฆ่ากันเราไม่ตีกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไม่มีขโมยที่อย่างเดียวที่เรากลัวขโมยยะรักของเราเนี่เราก็ต้องสร้างบ้านเรือนให้มันแข็งแรงทำฟา้าห้องหับให้มันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลัวของจะหายเพียงแค่กุญแจลูกเดียวลูกหลานที่รัก คนในประเทศไทย40ล้านคนเศษสมมติว่ามีบ้านสัก10ล้านหลังบ้านหนึ่งใช้กุญแจหนึ่งดอกดอกหนึ่งราคา10บาทเราต้องเสียเงินค่ากุญแจไปฟรีๆร้อยล้านบาทเห็นไหมแต่ความจริงมันมากไปกว่านั้น ในการที่เรายัางจะต้องฆ่ากันกรดกันทำร้ายสิ่งกันและกันต่างคนต่างต้อ ง, งระวังตัวเงินที่จะต้องซื้ออาวุธสมมุติว่าเราจะมีมีดพกคนนั้นเล่มและมีดพับคนละเล่มมีดพับนี้สมมติว่าราคาห้าบาทคนสี่สิบล้านคนก็ห้าคณสี่สิบต้องหมดเงินค่ามีดพับสำหรับป้องกันตัวไป็นสองร้อยล้านบาท นี่มันเสียหายบเปล่ารวมความมาแต่คนทุกคนมีศีลเสีนแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์มีแต่ความสุขเห็นหน้าก็รักกันยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกายสุขใจถ้าเราไม่รักไม่ขโมยกันเราก็ไม่ต้องหาของป้องกันขโมยทราบสินที่หามันได้จะวางตรงไหนก็ได้ มันไม่หายเราก็ไม่ต้องเปรืองไม่ต้องระวังภัยใจไมันก็ไปสุขถ้าเราไม่แย่งความรักกันการเกลียดน้ําหน้ากันมันก็ไม่มีถ้าเราไม่โกหโมดเท็ดล้วก็ไม่เป็นที่รังเกียจทั้งแต่ซึ่งกันและกันต่างคนต่างรักกันถ้าเราไม่ดื่มสุราเมรัยเราก็ไม่มีโทษไม่ต้องติดโทษจิตรังลูกหลานที่รักเห็นว่าดีไหมจ๊ะ ได้เห็นวันดีก็นําเอาไปไปพฤ้นปฏิบัตินะค่อยๆทําถ้าไม่เข้าใจก็ถามคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ศีลเป็นยังไงข้อไหนท่านว่ายังไงบ้างนี่ก็ถามท่านว่าคุณพ่อคุณแม่นะมีศีลบริสุทธิ์ไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็เตือนท่านบอกว่าลวมปู่ มาว่าคนที่มีสินเครรพทุนในเป็นคนดีคนที่บกพร่อในสินไม่ไในข้อนใดข้อนหนึ่งก็จัดว่าชั่วฉะนั้นหากว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนมีศินให้ครรพทวนบ้านเราจะไม่มีความทุกข์บ้านเราจะมีความสุข ยิ้มแย้มเข้าหากันไม่ทะเลาะวิวาดกันแล้วก็สำหรับทรัพย์สินของเราก็จะไม่สูญเสียไปเปล่าถ้านี้พ่ออะไรพ่อพ่อแม่ไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพ น, นันให้ทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเปล่าแบบนั้นมันก็ไม่ต้องเสียลูกในบ้านนบิดามนดาทั้งหมดจะมีความสุข นี่เป็นอันว่าท่านนมีราชกุ ม, มารต่อมาท่านได้เป็นพระราชาเผื่อท่านเป็นคนให้ทานตั้งแต่อย่างเด็กเป็นคนชอบรักษาอมโบสตศีลตั้งแต่อย่างเด็กแต่ว่าตอนนี้หลวงปู่พูดแค่ศีลห้าเท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นที่พอที่ลูกหลานทั้งหลายจะพึงรักษาได้เป็นปัจจัยของความสุข อย่าลืมว่าการให้ทานมีรางวัลคือได้เป็นที่รักถ้าเรามีศีลย่องเป็นที่รักของคนทุกคนทั้งหมดถ้าทุกคนในโลกนี้มีศีนด้วยกันทั้งหมดเรื่องรบราฆ่าฟันยื้อแย่งกันมันก็ไม่มีโลกนี้มีแต่ความสบายอาลารูปหลานที่รักทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบฆัตว์พระศึเวลานี้เวลาการที่จะพูดก็หมดแล้วก็ขอลากน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ุณผลจงมีดลูกหลานที่รักทุกคนและท่านพรับฟังทุกท่านสวัสดี